ว่าตอนนี้มีโรคระบาดโรคหนึ่งเกิดขึ้นที่ประเทอเมริกานะไม่ได้เพิ่งเกิดนะมันมีแนวโน้มนะเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วแล้วก็ทำท่าจะระบาดหรือกำลังระบาดไปทั่วโลกไ ม, นะไม่ใช่โควิดนะไม่ใช่โรคเอดนะไม่ใช่โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อนะอก็ไม่ใช่โรคมะเร็งไม่ใช่โรคหัวใจอันนั้นมันรู้กันมานานแล้ว โรคระบาด ท, ที่ว่านี่คือโรคเงานอะอันนี้ไม่ได้พูดแบบเป็นสำนวนนะมันเขาใช้คำว่าอีพิเด믹นะก็คือโรคระบาดจริงๆเลยแล้วก็คนที่คนที่ประกาศนีก็เป็นแพทย์ใหญ่นะของประเทศอเมริกานะเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นวิกฤตด้านสุขภาพหรือวิกฤตด้านสาธารณสุขนะที่หนักมากนะในอเมริกาชื่อของโลงก็บอกอยู่แล้วนะ โรคเหงาหรือว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเราบอกคนอเมริกาเนี่ยตอนนี้เกือบห้าสอร์ซนะคือสิบเกซนเนี่ยมีเพื่อนแค่สามคนหรือว่าน้อยกว่านั้นมากกว่าหรือเพิ่มขึ้นจาก30สปีที่ปีที่แล้วเนี่ยาสิปีที่แล้วนี่คนที่มีเพื่อนแค่สามคนหรือน้อยกว่านั้นก็มีประมาณสักย็ด แต่ตอนนี้พุ่งขึ้นนะเกือบเท่าตัวภายในเวลาสามสิบปีเขาก็บอกว่าคนที่มีเพื่อนสนิทเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะเลยในขณะที่คนที่ไม่มีเพื่อนสนิท ต, ตอนนี้เพิ่มเป็นสี่เท่าตัวเมื่อเทียบกับสามสิบปีที่แล้ววันนี้มันเป็นโรคระบาดยังไงมันเป็นวิกฤตด้านสุขภาพยังไงก็บอกว่า มันก่อปัญหาสุขภาพกอ่อตอบว่าก่อปัญหาความเจ็บป่วยให้กับร่างกายเนี่ยพอๆกับสูบบุหรี่วันละสิบห้ามวนเลยนะสูบบุหรี่สิบ้ามวนนี่มันเป็นผลร้ายต่อสุขภาพมากไอ้โรงเหงาเนี่ยมันมีผลร้ายต่อสุขภาพประมาณนั้นเลยใครที่ไม่เคยสูบบุหรี่แต่ว่าเงานี่ โอกาสที่จะป่วยด้วยโรคลายไี่มีเยอะมากเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมองนี้ก็ยีลสโตรนี้ที่ทำให้เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยหรือเซลล์ในสมองแตกเนี่ยโรคทั้มโรคซึมเศร้าโรคความจำเสื่อมพวกนี้นี่ มีโอกาสเกิดขึ้นมากนะกับคนที่เหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างแม้จะไม่สูบบุหรี่เลยหรือว่าแม้จะกินอาหารสุขภาพนะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่ใกลชนนี่ก็มีโอกาสที่จะป่วยได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะใน ประเทศที่รำ่ำรวยอย่างอเมริกาซึ่งรั้งพร้อมด้วยวัตถุนะรอบตัวนี้ก็วัตถุสิ่งเสพนี้มากมายนะแต่ว่าเหงาแล้วก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในอเมริก า, าเดียวนะเดี๋ยวนี้ทั่วโลกอะเมืองไทยผนก็ชนที่เหงาก็เยอะทังที่แปลกนะมันมีสิ่งดึงดูดใจสิ่งอำนวยความสะดวกมีความบันเทิงเริงรมากมาย มีห้างสรรพสินค้ามีโรงหนังมีผับมีบาร์แล้วก็มีโซเชียลมีเดียให้คนได้ทำอะไรมากมายที่ทำให้เพลิดเพลินแต่ว่าคนก็ยังสึกเหงาหลายคนนี่ก็มีเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเยอะนะในโซเชียลมีเดียนะบางคนมีเพื่อนนี่หลายร้อยหรือหลายพันเลย ไม่ใช่ในเฟซบุ๊กอย่างเดียวในอินสตาแก m มนี่เพื่อนเยอะมากแต่ก็ยังเหงานะเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงก็เป็นเพื่อนชั่วครั้งชั่วคราวหรือเพื่อนที่ฉาบฉวยแม้แต่เพื่อนที่รอบตัวนี่บางทีก็อาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นซึ่งก็ยังดีนะดีกว่าไม่มีเลย แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคนไม่ได้มีเพื่อนนะแต่มีพวกนะไอ้ที่มีคนแรดล้อมเยอะแยะนี่เป็นสิบยี่สิบคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนก็ได้เป็นพวกนะรวมนั่งคนที่มีภรรยาสามีมีคู่ครองก็า จ, จะเหงาก็ได้นะเดี๋ยวนี้คนเหงาท่ามกลางผู้คนท่ามกลางฝูงชนเนี่ย แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ลามไปถึงเด็กนะเด็กก็เงาไม่มีเพื่อนเล่นบางโรงเรียนเขาก็แก้ปัญหาดีนะอันนี้เคยเล่ฟังแล้วมีเก้าอี้ยาวมานั่งยาวอยู่บนสนามหญ้าเด็กคนไหนไม่มีเพื่อนก็มานั่งตรงเก้าอี้นี้แหละเดี๋ยวเด็กคนอื่นๆเห็นก็จะมาชวนพูดคุย ชวนไปเที่ยวหรือว่าชวนไปเล่นกีฬาด้วยคนที่คิดนี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ครูนะไม่ใช่ผู้บริหารนะจะเป็นเด็กด้วยกัน <c oughs> เด็กเขาเห็นเพื่อนเหงาเขาก็เลยเสนอความคิดนี้ให้กับโรงเรียนว่าน่นาจะมีม้านั่งนะใครเหงาใครไม่มีเพื่อนเล่นก็มานั่งตรงนี้แหละเป็นการประกาศตัวหรือเป็นการส่งสัญญาณว่าฉันเหงานะเด็กคนอื่นก็จะมาช่วย ชวนคุยนะหรือว่าเป็นเพื่อนเล่นแต่ว่าผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีสิ่งนี้ก็ได้ยกเว้นบางแห่งอนะ่อันนี้เมื่อวานนี้เราไปแล้วอย่างในบางประเทศนี่เขามีมันนั่งมิตรภาพนะเช่นในอเมริกาในในแอฟริกาเนีนยไนจีเรียใครที่เหงาใครที่โดดเดี่ยวใครที่เไม่รอซึมเศร้าก็มันนั่งตรงนี้แหละ เดี๋ยวมีคุณป้าคุณน้าคุณยายมานั่งคุยแต่ส่วนใหญ่ฟังมากกว่านะฟังคนที่เงาเขาระบายนี่คือสิ่งทีนะ่พยายามแก้กันนะแต่ก็คงทำได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะพบว่าคนนิ่งเงามาก ทั้งที่สุขภาพก็ดีทั้งๆ ท, ที่ก็มีเงินมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายบางคนก็ประสบความสำเร็จในการงานจบการเรียนก็จบปริญญาเอกแต่เหงาครอบครัวไม่มีความหมายเลยเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ไอ้โรงนี้เนี่ยคนในชนบทหรือคนสมัยก่อนนี่ไม่รู้จักนะเพราะว่า การมีเพื่อนการมีญาติมิตรการมีครอบครัวเนี่ยมันช่วยบําบัดความรู้สึกเหงาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลยแต่คนสมัยนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาซะแล้วงั้นยุคนี้นี่ใครที่ไม่เหงานี่ก็ถือว่าโชคดีนะบางคนก็บอกว่าฉันโชคไม่ดีนะฉันไม่มีบ้านฉันไม่มีรถยนต์นหารููไหมนะถ้าว่ายังไม่รู้สึกเหงานี่ก็ถือว่าโชคดีแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มัน เป็นโรคที่แพร่ระบาดอันนี้คนเราเนี่ยจะหายเหงาต้องต้องมีเพื่อนนะและเพื่อนนี่จะไปเรียกร้อยใหใครมาเป็นเพื่อนเรามันยากนะเราต้องเริ่มต้นจากการก้าวเท้าไปหาคนอื่นก่อนจะมีเพื่อนก็ต้องมีน้ําใจไมตรีก่อนก้าวเท้าออกไปหยิบยื่นน้ําใจไมตรีให้กับผู้คนพอให้เขาเดี๋ยวตัวเองก็ได้รับกลับคืน แต่ถ้าว่าคิดถึงแต่ตัวเองนะไม่มีน้าใจไมตรีให้เนะี่ยมันก็ยากที่จะมีเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยมันไม่มีใครนะที่จะมาหาเราจนกว่าเราจะหยิบยื่นน้าใจไมตรีให้หลายคนก็เลยไปเป็นจิตอาสาเพราะว่าพอเป็นจิตอาสาหรือไปช่วยคนแล้วหนูได้เพื่อนมากขึ้นแล้วก็จริงใจด้วยแต่ถ้าดีต้องรู้จักนะอยู่กับตัวให้เป็นนะ เพราะว่าคนเราถึงสุดท้ายยก็ต้องอยู่กับตัวเองเพื่อนที่มี จ, จะล้มหายตายจากไปคู่ครองที่สนิทแน่นแน่นก็ล้มหายตายจากไปเราต้องรู้จักอยู่กับตัวให้เป็นถ้าอยู่กับตัวให้เป็นนะมีใจเป็น ม, มีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่รู้จักความเหงาอยู่กับลมหายใจอยู่ความสุกตัวอยู่กับสติเนี่ยเป็นเพื่อนที่วิเศษที่สุด และช่วยพาเราเก้าวข้ามผ่านทุกไม่ใช่แค่ความเหงาที่ความโกรธความโศกความเศร้าก็มีสติมีความรู้สึกตัวนี่แหละที่จะพาเราเก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้และพบความสงบภายในนะซึ่งเป็นนะสิ่งที่ประเสริฐมาก